ข้สังเกตจากกุทพจน์ในอนาคาตาโศที่สามขอ้ขอขข้อที่น่าสังเกตอย่างยิ่งในพุทธพจน์นั้นอยู่ตรงที่ตรัสว่าเราภิกษุผู้ไม่ใช่ภาวิตากายภาวิตาศีลภาวิตาจิตภาวิตาปัญญาคือมิได้พัฒนากายศีลจิตปัญญาจะเป็นอุปชัชฌาอาจารย์ฝึกสอนผู้อื่นและจากไม่สามารถแนะนําภิกษุทั้งหลายที่เป็นศิษย์ในอธิศีลอธิจิต อธิปัญญาคือไม่สามารถแนะนำพิสุจน์ทั้งหลายที่เป็นสิทธิ์ให้มีศีลสมาธิปัญญาที่น่าสังเกตก็คือเวลาตรัสถึงคุณสมบัติของผู้สอนส่งใช้คำในชุดภาวิตะสีทางกายศีลจิตและปัญญาแต่เวลาตรัสถึงสิ่งที่จะสอนคือหลักธรรมหรือตัวข้อปฏิบัติส่งใช้คาในชุดศิขาสามที่เราเรียกกันให้สะดวกว่าศีล ส, สมาธิปัญญา หรือที่เรียกเต็มว่าอาธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาจุดน่าสังเกตนั้นมากับข้อสงสัยหลายอย่างเริ่มแต่ข้อที่ง่ายที่สุดคือเหตุใดไม่ทรงใช้คำให้ตรงหรือสอดคล้องกันเช่นน่าจะตรัสว่าผู้ไม่เป็นพาพิตะสีด้านจักไม่สามารถแนะนำในภาวนาสีอย่างหรือตรงข้ามจากนั้นอาจจะตรัสว่า ผู้ไม่จบศิขาสามจกไม่สามารถแนะนาในศีลสมาธิปัญญาดังนี้เป็นต้นแล้วก็มีข้อที่สนับสนุนซ้ำอีกว่าทั้งในชุดภาวิตะและภาวนา4ีก็ดีในชุดศิขาสามก็ดีหัวข้อย่อยก็เหมือนเหมือนกันชุดแรกคือชุดภาวิตะและภาวนา4ีมีหัวข้อย่อยว่ากายศีลจิตใจและปัญญาส่วนชุดหลังคือชุดศิขาสาม ก็มีศีลสมาธิคือจิตใจและปัญญาแทบตรงกันเพราะฉะนั้นทั้งตอนต้นและตอนหลังก็น่าจะส่งใช้ชุดใดชุดหนึ่งอย่างเดียวกันจะได้ง่ายหน่อยไม่ชวนให้งงพร้อมกันนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ว่าตามปกติในการปฏิบัติก็ได้ยินกันมาเป็นธรรมดาว่าศีล ส, สมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิต อธิปัญญาและถือกันว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนี่มีกายเพิ่มเข้ามาอีกข้อหนึ่งข้อนี้ไม่คุ้นเลยทำไมจึงเพิ่มเข้ามามีกายอะไรอีกหมายถึงอะไรกันในข้อนี้จับแง่กันแค่นี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงหลักแยกเป็นสองชุดหลักที่แสดงคุณสมบัติของผู้สอนส่งใช้ภาวิตะสีส่วนหลักการสอนส่งใช้ สิขาสตอนนี้ยังไม่พูดถึงเหตุผลที่ว่าเหตุใดจึงทรงแยกใช้หลักต่างกันเป็นสองชุดอันนั้นยกไปดูกันในข้อต่อไป